ธรรทำมเิศนาลำดับที่เจ็ดโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีมีชื่อเรื่องว่าตามรอยเท้าองค์หลวงตามหาบัววันนี้เป็นวันเสาร์ที่ส0บกันยายนพุทธศักราช2554ทราบข่าวว่าพี่น้องทางบานตาจะเข้ามา จะไม่ใช่่าจะมากลุ่มนี้กลุ่มเดียวแล้วมาหลายกลุ่มก็ไม่ทราบเหมือนกันนะบ้านตาดเป็นบ้านมีบุญคุณสำหรับหลวงพ่อพอหลวงพ่อไปอยู่บ้านตาดกับองค์หลวงตามหาบัวตั้งแต่ปี2512้าสิบถึงพ5นห้า25พัน้ายห้าจพรรษาติดต่อกันถึงส4ี่ปีจะค่อยออกมาอยู่วัดป่านาคำน้อยแห่งนี้นะ ออกมาปีสองห้าแต่ก่อนหลวงตาดูแบบสมัะไม่มีใครรู้จักท่านมากแต่ก็ได้ยินแต่กิติศัพว่าหลวงตานิจดุดูพระดุยมถ้าท่านเห็นใครๆก็ตามขวางหูขวางตาท่านเนี่ยท่านไม่ไว้ไม่เหมือนครูบายอาจารย์องค์อื่น <c oughs> ครูบาอาจารย์องค์อื่นๆเห็นศรัทธาญาติโยมมาแล้วท่านก้อยใจดีไม่ค่อยพูดไม่ค่อยบอกกล่าวดุนะสมัยนั้นคนก็เลยไปหาครูบาที่อาจารย์ครูบาอาจารย์ที่ใจดีหลวงปูฟัน่นหลวงปูเขาวหลวงปูฟันฟ่นแล้วก็นี่แต่ละนใสของท่านเป็นอย่างนั้นนี่ใสดีนี่ใสไม่ค่อยดุ แต่หลวงปู่ขาวท่านอายุมากแต่หลวงปู่เทศท่านก็อยู่ทางภูเก็ตขึ้นมาช่วงหลังจากนั้นก็หลวงปู่บุญมาหลวงปู่อ่อนสมัยนั้นหลวงปู่วันหลวงปูส่สิงทองหลวงปู่จวนฮแต่หลวงตามหาบัวก็องหนึ่งแต่โดยมากทุก ส, สิทธิ์หลวงตามหาบวัวเนี่ยโดยมากพวกที่มาจากกรุงเทพเป็นพวกหมอ หมอสิทธิราชหมอจกักนั่นแหะแต่โดยมากครูบาอาจารย์หลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟันแต่ท่านแจกเหรียญรวยสมัยนั้นลูกหลานศรัทธาญาติโยงกับไปกราบท่า น, านเถอะอ๋อเหรียญแจก อ, อ่ะ อ, อันนั้นนี่มีซื้อมีขายเราจะแจกแจกเหรียญคนก็หลั่งไหลไปกราบคารวะท่านฟังเทศท่านแต่หลวงตามหาบัวเนี่ย นานๆจะเข้ามาแล้วก็การที่เข้ามาก็ต้องมาเป็นจิตาจลักษณะท่านจะรับแขกที่ไหนอย่างนี้เป็นต้นเข้ามาแล้วก็ตรงอยู่ในกรอบจากนั้นท่านก็แสดงเทศศานาว่าการให้ฟังถ้าว่าใครก็ตามเข้ามาแล้วไม่ตั้งใจฟังมีเสียงอึกระทึกคึกโครมขึ้นา ม, มาท่านจะไล่หนีทันทีอันนี้กิตติศัพท์ของท่านเนี่ย ดังสมัยนะั้นตรงตาผาบัว ด, ดุพระก็เหมือนกันเข้าไปเนี่ยพระตโตเตดูอยู่ขวางหน้าขวางตาของท่านเน่ะแปลว่าถูกโดนไล่ออกจากวัดเพราะนั้นพระในวัดของท่านก็ไม่มากสมัยหลวงพ่อไปอยู่เพียงสิบหกองสิบหกสิบเจ็ดองโดยมากจะเป็นพระฝรังซะมากกว่าพระฝรัง บางทีถึง 7- จ็ถึงแถึงเองค์ก็มีอ ก, ก็เป็นพระไทยสรุปแล้วก็คือเกือบครึ่งต่อครึ่งพระฟรังท่านก็จูบแบบพระฝรังแต่พระไทยนี่ก็ต้องทํากิจการงานหนักเพิ่มขึ้นอีกพระฟรังท่านก็ช่วยแต่ว่าพระไทยต้องดูแลขนน้ําผลท่าอะไรต่อเมี่อไร พระฝรั่งท่านก็ก็ช่วยอยู่บ้างนันน้นก็คือสมัยสมัยก่อนเก่าที่ดึกดำพรนพ์ที่หลวงตาอยู่บ้านตาดอยู่ด้วยความสงบสงบและเงียบสงบจริงๆอาหารการบริโภคเนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องหนักใจก็มีตาหารโยมมันดาของหลวงตากับคุณแม่น้อมแม่ชีกแกๆ่ๆ โยมมันดาเป็นคนทําอาหารเลี้ยงพระเคยทยํายังไงท่านก็ทําอย่างนั้นหลวงตาท่านก็มีอะไรท่านก็ชันอย่างนั้นอีกเหมือนกันพวกเราเป็นลูกศิษย์หลวงตาหลวงตาพาชันยังไงเราก็ฉันอย่างนั้นถ้าวันไหนมีส้มละกอตำห ม, มักละกอเนี่ยตําส้มละกอโอ้โหวันนั้นไปว่าอาหารเลิศประเสริฐอย่างนั้นแต่เพราะคุณแก่เนะ่ยท่านคนไม่รู้จะจักยังไงทํำยังไง มีแต่แกงขนุนเนี่ยแกงข น, นุนใส่เนื้อใส่ปลาตามที่มีจางนั้นก็แกงฟักใส่หมูหมา ก, กาไก่ไปเรื่อยเนะี่ยสรุปแล้วก็คืออาหารคุณแม่น้อมอาหารภูไทยอย่างนั้นะออตรงพ่อไปเห็นก็รู้เลยออาหารภูไทยแกงมะข น, นนะุนแต่ท่านก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องหนักใจต่างองค์ก็ต่างชั้นก็จบ แต่ว่าวันไหนที่คนใส่บาตอาหารแปลกๆเป็นพวกไข่พวกอะไรปลาทงปลาทเลาูเนี่ยลงตาท่านเอยเอาไปใส่ให้บาตรใส่บาตให้พระฟรังเพราะเขาไม่คุ้นเคยอาหารของเราหลงตาท่านก็จะให้ใส่เป็นอาหารพวกพระฟรังที่อาหารจืดๆที่อาหารอะไรท่านก็ให้ดูนะเวลาตัก จัดอาหารเรียบร้อยแล้วพริกพวกน้ำพริกในท่านจะไม่ตักไม่ให้ตักใ ส, ใส่ใส่ในบาต ท, ท่านให้ส่งไปทีหลังพอเสร็จเรียบร้อยท่านก็นส่งส่งน้ำพริกไปตามหลังน้ำพริกปลามะนาวใส่ถาดเล็กๆส่งไปอีกทีหลังเพราะเหตุไรเพราะพระไทยบางองค์ก็เห็นภาคพรังก็เนะี่ย น้ำพริกก็ตักลดลงไปในอาหารเนะ่ยฝรั่งก็ฉันไม่ได้เลยมันเผนะ็ดเน่ะอาหารใครอาหารเรานะ่ะเพราะฉะนั้นท่านจะเอาหรือไม่เอาก็ไม่เป็นไรแต่หลวงพ่อเชอรี่เนะี่ยชอบชอบพริกนะชอบน้ำพริกนะแต่พริกในะท่านจะไม่ไ ม, ไม่ไม่เล่าเว้นเลยเนะงั้นตักใส่ในบาตของท่านแต่ท่านปัญญาเนะี่ยไม่เอาเลยพริกเนะี่ยท่านบอกไฟไฟร้อนร้อนร้อนเลย ไม่เอาไฟมันรอ้อนที่มันพลิกพิกมันร้อนใช่ไม่ะเหมือนกับไฟนี่แหละอันนี้ก็คือการอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยความ้าสุขอยู่ด้วยความสงบพอฉันจังหานเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรถ้าเป็นพระไทยก็เออมีอะไรที่จะซ่อมแซมตรงนั้นตรงนี้บังถนนหนทางปลูกต้นไม้บังแต่พระฟรังท่านก็ไปภาวนาของท่าน แต่ใหม่ๆหลวงพ่อไปเนี่ยไม่ได้ฉันหรอกโกโก้กาแฟน่ยไม่มีมีอยู่แต่ท่านไม่ให้ฉันเอากกว้วยในห้องครัวเล็กๆนะอยู่ข้างๆเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่ยังเก็บไว้อยู่ห้องครัวนั้นที่เราไปเห็นข้างศาลา น, นั่นอ่ะห้องครัวนั่นอ่ะเก็บเก็บเก็บเก็บไว้พวกน้ำหอยน้ำตาลโกโก้กาแฟเนี่ยหลวงพ่อได้ฉันโกโก้ก็อยู่ที่นั่นแหละต่กอน อยู่กับหลวงปู่ล่าไม่เคยที่ฉันนโกโ ก, โก้กาแฟมากรมาได้ม า, มาฉันอยู่ที่นั่นก่อนที่จะมาก่อนหน้านี้เนี่ยท่านไปสร้างวัดสองพันสองพันสร้าสิบแปดสองพันเจ้าสบแดท่านเริ่มมาสร้างสองพันเจ้าสท่านมาอยู่สองพันจร้าสบแปดจนถึงสองพันรอย 2,512 หลวงพ่อเข้าไป 2,112 หลวงพ่อเข้าไปเนี่ยท่านยังไม่ได้ให้เปิดลงครัวชั้นน้ำน้ำนะน้าร้อนน้ําชาเนี่ยไม่มีหลวงพ่อเข้าไปใหม่ถ้าเว้นเสียจะมีงานถ้ามีงานวันนี้เอื้อหลอท่อนีมันมีมันมีท่อที่จะให้หลอหรือว่าไปทํางานอะไรท่านพระท่านก็เป็นหัวหน้าด้วยมากท่านอาจารย์ประยูน สมัยนั้นหลวงปู่ฟักไม่อยู่แล้วหลวงปู่ฟักเพิ่ง อ, ออกปีไปปีนั้นหลวงปู่ทงพอ่อหลวงท่านประยูนคนจังหวัดจันทร์ท่านเป็นช่างท่านเป็นหัวหน้าเดี๋ยวก็ทําเรื่องนั้นเดี๋ยวก็ทำนี้ในวัดทําทางได้ยังโกรมบั่งทํำถนนบั่งพัฒนาวัดตอนเย็นๆพอปัดกวาดเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้เวลาเพียงชั่วโมงสองชั่วโมงในช่วงนั้นพอปัดกวาดสามโมง ปักวาแพทย์เรลืก็เสร็จขึ้นไปทําความสะอาดสาลาเนะี่ยทำความสะอาดสาลาก็ขึ้นไปพร้อมกันนะไม่มาแต่หลงตานะบางทีหลงตายังลงมาอีกลงมาถูส า, าลาแั้นก็หลงปูป่บุญมีหลงปู่รีพระปู้ใหญ่พระปู่ใหญ่พอเสร็จแล้วพระผู้ใหญ่สี่ห้าหกเจ็ดองค์ท่านปัญญาเนะี่ยขึ้นไปถูสาราชั้นบนเนะที่เรานั่งเนะี่ยเพราะว่าตอนเช้ามาเนี่ยท่านจะปู ปูเสือเลยท่านยังไม่ได้ถูเพราะต้องถูแต่ตอนเย็นพอตอนเช้ามาเนี่ยพระทุกองค์ลงมาถูขอบไปเลยพราะตัว น, นั้นยังไม่ได้ถูใช้กะลามะพร้าวเนี่ยสองหมือนถูพื้นศาลาแต่ตอนเย็นถูแต่ชั้นบนก็ผ้าหนุ่มเนี่ยผ้าหนุ่มที่แข็งแรงไปลงไปสูบน้ำไปสูบน้ำใส่รถรถ รถเข็นรถเข็นน้ําใส่ปิ๊บเข้าไปอย่างน้อยก็แปดปิ๊บสิบปิ๊บสิบสามปิ๊บแปลว่าใหญ่สูดรสิบสามปิ๊บใส่ในรถคันเดียวแบบโยกเครื่องโยกนะไม่ใช่นั่นเครื่องโยกน้ำสามสี่องค์โยกพร้อมกันพอโยกเสร็จแล้วกันเงือแตกเงือไหลลพะพระน้อยพระหนุ่มจากนั้นองค์ที่โยกเสร็จแล้วก็เอาผ้าขาวปิด ปิบน้ําระคบส่งตามกุฏิต่างๆส่งตามห้องน้ําส่งตามน้ําล้างเท้าเพราะมันไม่มีไม่มีน้ําล้างเท้าไม่มีก๊อ ก, กน้ําเนี่ยอส่งไปตามกุฏิต่างๆสรุปแล้วก็คือพระสิบกว่าองค์เนี่ยใช้รถประมาณสามเที่ยวทั้งล้างบาตรด้วยทั้งห้องน้ําด้วยทั้งกุฏิกุฏิต่างๆด้วยกุฏิต่างๆก็เพิ่มเข้าไปถ้ามันพองถ้าเปิดดูถ้ามันไม่พ่องก็ไป แต่องค์ที่อยู่กุฏิต้องรักษาฝาต้องปิดไว้อยู่เสมอไม่ให้ยุงเข้าไปขี้ใส่เพื่อมาให้มันเกิดตัวยุงถ้าว่าเปิดฝาไว้นะ่ะยุงเข้าไปขี้ใส่เราเอามาใช้นะ่ะไม่ได้ต้องดูต้องดุให้กันนะ่ะเวลาไปเราก็เปิดดูถ้าเห็นตัวยุงขึ้นมาท่านใช้ยังไงมันมีตัวยุงนี่ภิกษุรู้อยู่อบริโภคน้ําที่มีตัวสัตว์ ต้องปาจิตติมันผิดศีลของพระนะเนี่ยไอ้ครับวิกษุรู้อยู่บริโภคน้ําที่มีตัวสัตว์ถ้าเปิดดูถ้าเห็นตัวสัตว์แล้วน่ะพวกเราก็ต้องตําหนิเพื่ออะไรเพราะว่ามันจะได้เสียน้ําเยอะนะเพราะนั้นก็ต้องหาต้องกรองน้ําออกซะก่อนแล้วค่อยเอาน้ําเข้าไปใส่อีกเพราะนั้นฝาปิดต้องปิดให้ดีแล้ก็มีขันน้ําทุ ก, กุติต้องมีน้ำล้างเท้า จากนั้นก็มีห้องน้ำสีห้าองค์ใช้ร่วมกันไม่ได้ใช้กุฏิทุกองนะส4มสี่ห้าองค์ใช้กุฏิใช้ห้องน้ำห้องหนึ่งใช้ร่วมกันเวลาขนน้ำก็ไปไปใส่กดไปขนไปใส่จุดศูนย์กลางศูนย์กลางศูนย์กลางไปกัน่ะจากแล้วกับพระผู้ใหญ่ที่ว่ามีอายุพัรษาหลวงปู่ลีหลวงปู่คุณมี ฮันเชอรี่พระฝรั่งลงมาถูสลาชั้นบนอย่างนั้นก็ดูดูพวกถ้วยชามถ้วยชามไม่ค่อยมากหรอกข่าวนะั้นดูทาศูนยสลาเนั่ยนะเสร็จแล้วก็ปัดกวาดทําทความสะอาดเตรียมวันพุ่งนี้แต่พระน้อยพระหนุ่มก็สงส่งน้ําขนน้ําเสร็จแล้วกันนะพร้อมกันลงไปอาบน้ําที่บ่อน้ำนั่นแหละที่โยกขึ้นมานะ่ะลงไปอาบน้ํากันตรงนั้นนี่แหละคือชีวิตประจำวันของพระวัดป่าบ้านตาด ในสมัยที่หลวงพ่ออยูอ่อยู่ด้วยความเรียบง่ายาพระไม่กี่องค์แต่ยุดิในความสงบเสียงในไม่มีใครจะไปส่งเสียงดังโอกอากไม่ได้หลวงตาได้ยินเสียงไข่มันทำไมเสียงดังนักไม้ไม่มีแล้วปิดปากคันไว้มันเป็นไงวะพระเนี่ยเผยเผยยังท่านยังตรมาทางนั้นอีกนะ องไหนพูดดีๆเอาจับมาให้พรตอนเช้าเลยซิจะเสียงดังไหมพอเสียงไม่ดังนะเราวังให้ดีกันแล้วกันออหลวงตาไม่ใช่ธรรมดาในะี่สอนพระสอนเนเอทีนี้ตอนเช้าอยู่ในเหมือนกันพอ น, นั่งอเอาองนั้นให้พร น, นั่งเฉยอบอกซีเอาองค์นั้นให้พร อ, องนั้นก็ขึ้นมายะเท้า ละเ้วา ว, วาริวหให้วาห่าฮะเาจะที่จะจะถาวาริวหาจะท้าวาริวหาปูปุรานไม่ใช่ปูไม่ใช่ปูปโูบางครั้งกว่าจะได้ฉันอาหารได้ต้องใช้เวลานานเหมือนกันแต่บางที่ให้องค์นี้ให้พรแล้วเสียงไม่ได้เอาองค์นั้นไข ห, หัวเราะไม่ได้แล้วงแต่พระเป็นสิบกวองค์หนี่ หัวล้อไม่ออกว่างั้นกูอาจะโดนตัวเองเลยต่างคนก็ต่างก้มหน้าโอ้โหโลงตาไม่ใช่ธรรมดาหนะูจริงๆอย่างที่เขาว่าเนะลอหลวงพ่อเห็นแล้วอแต่หลวงพ่อนี่โชคดีอยู่อย่างหนึ่งนะหลวงพ่อไม่เคยลงตาชี้ให้พรคงจะเห็นหลวงพ่อสวดปฏิโมกได้เพราะว่าพระปฏิโมกนี่หลวงพ่อสวดปฏิโมกได้ท่านก็เลยไม่ไม่ชี้ให้พร แต่นอกนั้นก็เกือบไม่เว้นแต่ละองค์เนาะเงินชี้ให้พรตอนเช้านะเนี่ยแจกอาหารแฉกอย่างพวกเราแจกลุกมากแจกแจกอาหารเราอยู่ที่นั่นพ่พระน้อยอยังก็ส่งพ่อเป็นผู้ตักอาหารเวลาญาติโยมมาวาอาหารหลวงพ่อตักอาหารต่อหน้าท่านท่านก็ดูให้ตักให้ใครบ้างมีญาติโยมมาเท่าไหร่ตักเท่าไหร่ตักให้พระเท่าไหร่ตักให้รครัวเท่าไหรน่นหลวงพ่อเป็นผู้จัดอาหาร สรุปแล้วก็คือในช่วงนั้นก็หลวงพ่อทาหน้านที่แม่บ้านนะอยู่กับองค์หลวงตาแต่พอออกมาอยู่ที่นี่หลวงพ่อไม่ค่อยเข้าไปไม่ได้ค่อยเข้าไปตอนเช้าอย่างงานประทายเข้าเปลือกงานกระถินบางงานใหญ่ๆเนี่ยหลวงพ่อไม่ค่อยเข้าไปแต่ข้อหลวงพ่อเข้าไปเดือนละครั้งสองครั้งเดือนละครั้งเนี่ยไม่เคยขาดบางทีก็สองครั้งบางทีท่านมาที่นี่ เดี๋ยวพบไดกราบวหยท่านแล้วก็ไม่ได้ไปไปแต่ละครั้งไปถวายจะตุปัจจัยท่านเพราะนั้นศรัทธา ญ, ญาติโยมคนทั้งหลายก็ไม่รู้จากวันนี้หลวงพ่ออินนี่ยมาจากไหนพอมาถึงงานของหลวงตาแล้วโพโลุเพล่มาละวมันพูดนั้นพูดนี้ฮะลูกหลานเขาบอกไม่เคยเห็นเพราะหลวงพ่อไม่ได้ค่อยเข้าไปวันในงานใหญ่ๆแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อจะเข้าไปกราบคารวะท่านในงานช่วงที่เงียบ ก่อนที่จะเข้าไปช่วงหลังๆมันจเจริญเลยเก็โทรถามซะก่อนโทรถามโซเฟอร์ของท่านเออลุงตาอยู่ไหนเดี๋ยวนี้วันนี้ไปไหนวันนี้ท่านไปกราบพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นครับเราก็คํานวณได้เลยประมาณเท่าไบสองหลวงตาคงมาเราก็เข้าไปตอนบ่ายๆอย่วันที่ลุงตาอยู่ไม่อยู่ครับเออเอาเข้าไปเลยเนี่ยเข้าไปกราบลุงตาเข้าไปที่ไรหลวงพ่อเนีไม่ได้ไปรอมรอมพิธีอื่นเขาไปกราบลุงตาเลยมีอะไรกับถวายลุงตา มีอะไรท่านก็พูดให้ฟังเทศให้ฟังโดยมากที่ท่านเทศโดยมากท่านลักษณะสอนมวยสอนมวยว่าไงแต่พูดมันง่ายง่ายสอนมวยคืออะไรท่านสอนปฏิปทาของท่านต้องทําอย่างนั้นนะต้องทําอย่างนี้นะต้องปฏิบัติอย่างนั้นนะทำวินัยนะต้องเข่งคลัดนะโดยมากท่านจะสอนลักษณะนั้นแล้ะการกันตนําหนิองค์ที่มาอยู่ในหลักพระธรรมวินัยให้ฟังอีก จากนั้นก่อนเนี่ยหลวงพ่อก็ออกมากราบไปกราบท่านนี่แหละคือแนวแถวขององค์หลวงตาท่านเข้มงวดกวดขันกับพวกศิษย์ลูกหาจริงๆเป็นพระมหาเถระเทนะเคารพกราบไหว้สักการะบูชาจริงๆหลวงตาเนี่ยเสมอต้นเสมอปลายเป็นเทระเคารพนะเข่งคลัดในหลักพระธรรมวินยัยนี่แหละ อันนี้ก็คือกิจวัตรข้อวัดของพระสมัยที่หลวงพ่ออยู่พอมาช่วงหลังๆหยติจโยมเข้ามาเกี่ยวข้องมากคู่คนเข้ามาเกี่ยวข้องมากอาก็ท่านเขาปล่อยออกไปตามกระแสของคนทต่เนี่ยคนเข้ามามากจะทํำยังไงได้ไไดก็อย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายเห็นที่หลวงพ่อพูดทั้งนี้ทางนั้นเนี่ยคนรุ่นเก่าๆที่เคยเข้าวัดป่าบัานตัด จะเถียงไม่ขึ้นบอกว่าลุงพ่อพูดผิดนะพอลุงพ่อพูดตามความเป็นจริงเป็นจริงอย่างที่ลุงพ่อพูดสมัยนั้นก็ไม่มีใครหลวงพ่อเนี่ยหลวงตาหลวงปู่บุญมีต่อมาหลวงปูล่ลีแล้วก็หลวงพ่อเป็นองค์ที่สามแต่ก่อนคือท่านยูนกับอาจารย์จอนพอต่อมาท่านออกไปหลวงพ่อขึ้นเป็นองค์ที่สามนั่ง ต่อมาลุงปูป่มันมีออกไปอีกลุงปู่เลอออกอีกหลุงพ่อเป็นองค์ที่สองอะช่วงหลังๆนะแต่ลุงพ่อก็ออกมาปี25งพยยี้าฮะออกมาจากวัดป่าบ้านตาดออกมาแล้วก็ยังหมุนเวียนเข้าไปการาบคารวะท่านอยู่ท่านก็ออกมาทางบางครั้งเข้ามาช่วงหลังๆเขาก็มาเยี่ยมบ่อยเหมือนกันเดือนละสองครั้งก็มีเดือนละครั้งก็มีสองสามเดือนไม่ถึงสมเดือนสองเดือนเว้นเดือนครั้งก็มีสุดแท้แต่ภาระของท่าน แต่ช่วงสุดท้ายเนี่ยท่านก็บอกเเราจะไม่ได้มานะมันไกลนะทางไม่สะดวกมันไกลเราจะไม่ได้มานะท่านก็บอกให้ทราบเพราะนั้นหลวงพ่อเองเนี่ยกำแพงของหลวงตาที่สร้างมาสมัยนั้นสองพันห้าร้อยยี่สิบสามสิบแปดสาสิบเก้าสมบเจ็ดสาสบแปดสาสิบเก้าช่วงนั้ น, นหมดไปยี่สิบกว่าล้านถ้าทุกวันนี้คงไม่ได้หรอกเพราะว่า สมัยนั้นปูนซีเมนก็ประมาณสามสิบสี่สิบาทต่อนหนึ่งถุงปูนตาช้างทุกวันนี้ถาลายร้อยกว่าบาทเหล็กสี่หุนหนึ่งสมัยนั้นก็ประมาณสักสี่สิบบาทสามสิบห้าสี่สิบาททุกวันนี้นมันร้อยกว่าเนะมันแพงไปหมดลนะถ้าจะบวกเข้าไปก็อาจจะหันอาจจะคูณคูณด้วยสามชด้วยสาไปกำแพงเนะี่ยอาจจะถึงห้าหกสิบล้านเพราะมันยาวถึงหกกิโลกเจ็ดร้อยกว่าเมตรนะี นี่แหะอันนี้คือหลวงตาท่านเมตตามาสร้างให้ทาให้เอาทุนให้ไม่ใช่ท่านมาสร้างให้เอาทุนให้หลวงพ่อกับคณะเป็นคนทํา่ำกําแพงเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่นี้พอมาถึงจุดท้ายคนทั้งหลายก็ไม่รู้ว่าอ๋อหลวงพ่ออินนีมาอย่างไงไปอย่างไรหลวงพ่อเข้าไปดูในขณะที่ท่านเก็บไข้ได้ป่วยก็อย่างที่พกที่หลวงพ่อพูดให้ฟังแต่ภายนอก หลวงพ่อก็ไม่ได้เขาไปยุ่งเหยิงวันเวลาแต่ว่าแต่ละเวลาที่เข้าไปกราบท่านเนี่ยเหมือนกับพ่อหลวงพ่ อ, พอถือว่ตรงตาเนี่ยเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เข้าไปกราบท่านด้วยความชนิดใจจากนั้นพอสุดท้ายท่านก็มีพินัยกรรมออกมาท่านก็เขียนพินัยกรรมออกองค์หลวงปู่พักองค์ที่หนึ่งถ้าเมื่อเราผ่านไปหรือเรามรณ ะ, ะภาพลงไปสรีระของเรา ตั้งคณะกรรมการทั้งหมด9 9ท่าน 9, 9คนหพระหพระสี่ยมคือให้จัดชรีระของหลวงตาให้ประให้ประชุมเพลิงแล้วก็หาคนที่มาบริจาคในงานศพของเราเงินบริจาคมากน้อยให้คณะกรรมการ เ, าเก็บไว้แล้วก็ซื้อทองคำเข้าครังหลวงทั้งหมด อันนี้คือในพิธีกรรมของหลวงตาท่านก็ยกขึ้นมาหลวงปู่ฟักหลวงปู่ฟักเป็นองค์ที่หนึ่งหลวงพ่ออินทวายนเป็นองค์ที่สองหลวงพ่อปัญญาพระฝรั่งเป็นองค์ที่สามท่านพระอาจารย์บัญชัยภูสังโคเป็นองค์ที่สี่อย่างนั้นก็ญาติโยมก็เป็นที่ห้าคือพณะตุ๊เติร์ดเฉาณศิลวันที่หกกับคุณสิริขูสกุลที่เจ็ดกับหม่อมราชวงศ์สิริ ชองจตุทองแถมหมอมคุณชัยปัม๊มจากนั้นเขาจนถึงองค์จุดท้ายก็คือท่านสุดใจพระอาจารย์สุดใจท่านตามโนเป็นผู้จัดการมรดกที่หลงตามีมรดกหลงตาอย่างไงมอบให้ท่านพระอาจารย์สุดใจเป็นผู้จัดการแต่ศรีระของหลงตากับเงินมาบริจาค ก, กองทุนมากน้อยเนี่ยพวกคณะหลวงพ่อจะเป็นผู้ดูแล ถ้าท่านสั่งเสียอย่างนั้นเนี่ยในหนังสือทุกเล่มมีพินัยกรรมอยู่มีทุกเล่มนี่แหละอันนี้หลวงพ่อกระโดดเข้าไปจุดนี้ก็คือเขาไปตามทำตามตา ม, ตามพินัยกรรมของหลวงตาสั่งเสียเหมือนกับพ่อสั่งเสียลูกเป็นลายลักษณ์อักษรหลวงพ่อกระโดดเข้าไปเขาไปทําจุดนี้อพ่อหลวงปู่ฟักก็ตายแล้วแต่นิมรณภาพไปแล้วหลวงปู่ฟักหนะลวงพ่ออินเนี้ไม่ตายฮะ แต่ท่านปัญญาพุโทโธก็ไปแล้วมรณาภาพแล้วยังเหลือแต่หลวงพ่อวันชัยทุกพ่อวันชัยท่านก็ไม่สบายอีกถึงสุขภาพของท่านไม่ดีหลวงพ่อก็เลยกระโดดเข้าไปยืนอยู่จุดนี้เนะี่แต่ท่านทั้งที่ท่านรู้รู้ว่าท่านฟักหลวงปู่ฟักท่านปัญญามรณาภาพแล้วทั้งที่หลวงตาจะแต่งตั้งองค์อื่นขึ้นมาหลวงตาก็ไม่แต่งตั้งก็เอาไว้อย่างนั้นนี่แหละตั้งแต่ปีสี่กว่าสี 4, 3, 4่สามสี่แหละ 2 4 3อายุ80กว่าสมัยนั้นที่ท่านเขียนพี่นกยรกรมเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเข้าไปทำหน้าที่ก็คื อ, คอทำตามพี่นายกรรมองค์หลวงตาพอทำเสร็จแล้วหลวงพ่อก็ภาคภูมิใจอย่างมากที่ได้เข้าไปทำในจุดนี้งานสถีละของหลวงต า, าออกมาสู่สายตาคนทั่วไปส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ก็เห็นว่าราบรื่นเรียบร้อ ย, เ, ยเงินที่มาบริจาค ก็ได้นําซื้อทองคําเข้าคลังหลวงอย่างที่หลวงตาสั่งเสียก็ได้ครบสิบสามตันกว่างานทุกอย่างก็เป็นที่เรียบร้อยพงพ่อว่าตามพินัยกรรมหลวงตาสั่งเสียนั้นผมได้ทําหน้าที่อาตมาได้ทําหน้าที่เต็มที่สุดความสามารถแล้วอันนี้คือหลวงตาสั่งเสียส่วนพระเจดีย์ที่จะทําต่อไปภายภาคหน้านั้นอ่า มอบให้คณะสงฆ์หรือคณะครูบาอาจารย์เป็นใหญ่ถ้าว่าหลวงตาไม่ได้สั่งแต่ท่านไม่ได้สั่งท่านให้ทําแต่เรื่องจรีละของท่านกับทองคําเข้าคลังหลวงส่วนพระเจดีย์นั้นท่านไม่ได้สั่งหลวงพ่อถ้าท่านถ้าท่านเห็นว่าถ้าท่านเห็นไปภายภาคหน้าเออเรื่องพระเจดีย์ให้ท่านอินนะเป็นผู้ดูแลจัดการน หลวงพ่อกอ็คงจะทําจุดนั้นอีกอันนี้หลวงพ่อคิดว่าอืมเหมอบให้แก่คณะสงฆ์เป็นผู้ดาเนินการต่อไปหลวงพ่อนั้นน่าจะเพียงพอเพียงเท่านี้เพราะว่าเหมาะถูกต้องตามที่นายกรรมคือพ่อสั่งเราก็ปฏิบัติตามพ่อสั่งจบแล้วต่อไปก็เป็นหน้าที่ของคณะสงฆ์คณะสัทธาญาติโยมช่วยช่วยกันคิดช่วยชยกันทําเป็นคนกลุ่มใหญ่เพราะหลวงตาไม่ใช่ของหลวงพ่อองค์เดียวเป็นของพี่น้องประชาชนสัตยาญาติโยม ทุกหัวละแห่งไ ม, ไม่ไม่ว่าไม่ว่วาอยู่ในประเทศไทยอยู่นอกประเทศก็ใช่เนี่ที่รักครบรอบในองค์หลวงตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยประเทศชาติชาติไทยของเราองค์หลวงตาเอาทองคําเข้าคลังหลวงทั้งหมดเป็นเท่าไหร่สิบสามตันกว่าสิบสามตันกับแปดร้อยกับแปดสิบกว่ากิโลหรืออะไรดอลลาร์อีกสิบล้านดอลลาร์ถ้าคิดเป็นเงินไทยขณะ น, นี้เดี๋ยวนี้ขึ้นมานะ คงจะประมาณสามหมื่นกว่าล้านนี่แหละอันนี้แหละคือองค์หลวงตาช่วยประเทศชาติคุณูปการขององค์หลวงตามากมายมหาศาลทุกวันนี้เศรษฐกิจเมืองไทยเงินของเมืองไทยแข็งขึ้นมากรเพราะเนี่ยข้างหลวงของหลวงตาข้างหลวงทองคำเข้าข้างหลวงเนี่ยแข็งทีเดียวนี่แหละเพราะนั้นขันธ์ศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะ ทันได้ฟังหลวงพ่อบางคนกับคงจะไม่เคยได้ยินได้ฟังอย่างที่หลวงพ่อพูดหลวงพ่อพูดเสี้ยวเสี้ยวหนึ่งในการเป็นอยู่ที่องค์หลวงที่หลวงพ่ออยู่องค์หลวงตานต่อไปหลวงพ่อกับคงจะพยายามพูดให้ศรัทธาญาติโยมลูกหลานได้ศึกษาอีกเหมือนกันะหลวงพ่ออยู่ยังไงหลวงตาอยู่ยังไงถ้าเราพูดถึงหลวงตาถ้าไม่พูด ถึงท่านหลวงพ่อไปอยู่ถ้าไม่พูดถึงหลวงพ่อเราจะพูดใครเราจะไปพูดยังไงใครเป็นขูยุดอยู่ด้วยท่านปฏิบัติอย่างไรมันก็เหมือนพูดอีกอย่างหนึ่งมันก็ยกยอปอปั่นตัวเองให้เป็นบุคคลสําคัญไม่ใช่อันนี้ใครเข้ามาพูดให้ฟังว่าสมัยนั้นท่านเป็นอยู่อย่างไรชีวิตประจําวันของพระวัดป่าบ้านตาสมัยนั้นหลวงตาพาดําเนินอย่างไรท่านหลวงพ่อพูดผิดลูกหลานที่ยังมีชีวิตอยู่ที่บ้านตา ก็คงจะโอ้ยหลวงพ่ออินขี่โม้ว่าไปอย่างงั้นล่ะไม่เป็นอย่างที่หลวงพ่ออินว่าหรอกนลูกหลานทั้งหลายก็จะได้ตําหน่ได้นะอพูดขึ้นมาได้ขัดแย้งขึ้นมาได้แต่หลวงพ่อมั่นใจว่าหลวงพ่อได้ศึกษาได้ดูได้รู้ได้เห็นมาอย่างนั้นกับพูดให้ลูกหลานได้ฟังที่พวกลูกหลานที่ยังไม่เคยรู้เคยเห็นนะอารพนน์อโมูนาให้พน